แม้ในข้ออื่นเช่นกำหนดกะสินเช่นวันนักกะสินคือกำหนดสีสำหรับเป็นเครื่องจูงใจให้ตั้งเป็นสมาธิเช่นกำหนด สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวในสิ่งที่มีสีดังกล่าวเรียกว่าวัน ก, กสินกสินที่เกี่ยวด้วยสีเพื่อให้จิตตั้งเป็นสมาธิก็เป็นรูปสมาธิแม้ว่า ในการกําหนดปฏิบัติแพ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบเกขาอเนกประพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นไป ในสัตว์บุคคลทั้งหลายโดยเจาะจงบ้างโดยไม่เจาะจงบ้างสำหรับปรมาวิคธรรมมีเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นภาวะในจิตใจแต่ว่าก็ต้องตั้งอยู่ ในสัตว์ม ค, คลทั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับรูปเพราะฉะนั้นจึงจัดเข้าในรูปันิมิตแม้ว่าเจริญพุทธานสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม ังคาดุสติและลึกถึงคุณของประสงค์ก็ยังมีคุณเป็นที่กำหนดหมายของจิตให้เป็นสมาธิซึ่งก็นับเนื่องอยู่ว่าเป็นรูปเหมือนกันเพราะยังมีปรากฏ เป็นภาวะหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นที่หมายอยู่ในจิตใจก็นับว่าเป็นรูปปฏิมิตรเพราะฉะนั้นคำว่ารูปนี้จึงมีความหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุ ใช่เป็นที่ตั้งกำหนดทำสมาธิหรือแม้ว่าไม่เป็นวัตถุแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเนื่องอยู่ในวัตถุก็นับว่าเป็นรูปด้วยดังเช่นที่ตรัสเรียกว่าปิยรูปสาตรูป ซึ่งแม้ที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเช่นเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นวิตกเป็นวิจาร์ก็นับว่าเป็นปิยรูปสารรูปด้วยเหมือนกันเพราะว่า แม้ตันหาเป็นตนนั้นก็เป็นไปในรูปเสียงเป็นตน้นอย่างเนื่องอยู่ในรูปเพราะฉะนั้นจึงรวมเรียกว่าเป็นรูปปนิมิตทั้งหมดและผู้ที่ได้สมาธิด้วยกำหนดรูปปนิมิต ด, ดังนี้ ตั้งแต่เบื้องตอน้นจนถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแน่วแน่อันเรียกว่าฌานนี่แปลว่าความเพ่งคือว่าเพ่งแน่วแน่ลงไปก็รวมเข้ามาเป็นรูปฌปานฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์หรือฌานที่กำหนดรูปปฏิมิตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสมาธิกำหนดรูปปนิมิตดังนี้และเมื่อปฏิบัติก็ยอมจะได้เห็นรูปทั้งหลายที่กำหนดในสมาธินั้น ในภายนอกได้ดังนี้เป็นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนั้น ก, คกนปปนน็คือไม่ได้กำหนดรูปปฏิมิตรในภายในคือไม่ได้กำหนด ผมคนเล็บปันนังเป็นต้นที่เป็นภายในหรือว่าไม่ได้กำหนดกระสินที่เป็นวันนกกระสินคือกระสินที่เกี่ยวกับสีสีเขียวสีส สีเขียว ส, สีเหลืองสีแดงสีขาวของผมคนเล็กปันลังเป็นต้นของตนเองแต่กำหนดในภายนอกแม้ดังนี้ก็ปฏิบัติได้ และก็เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกข้อ3แม้มิได้ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อ2แต่ปฏิบัติทำสมาธิกำหนด เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาออกไปในสัตว์บุคคลทั้งหลายเจาะจงบ้างไม่เจาะจงจนถึงไม่มีประมาณบ้างดังนี้สัตว์บุคคลทั้งหลาย ก็ย่อมไม่ปรากฏเป็นปฏิกูลโดยอำนาจของเมตตาเป็นต้นที่แผ่ออกไปนั่นคือปรากฏว่าสัต์บุคคลทั้งปวงที่แผ่เมตตาออกไปนั้นงดงามไม่ปฏิกูล ด้วยอำนาจของเมตตาเป็นตน้นแต่ไม่ใช่อำนาจของตามถ้าตามเกิดขึ้นเมื่อไรเมตตาสมาธิก็ตกไปเมื่อนั้นแต่เมื่อเมตตาสมาธิมันเกิดขึ้นในสัตบุคคลทั้งหลายสัตบุคคลทั้งหลายก็ไม่ปรากฏว่าเป็นปฏิกูล แต่ปรากฏว่างามงามในเมตตาไม่ใช่งามด้วยกรรมกิเลกและแม้ว่าปฏิบัติทำกสินให้เป็นเครื่องจูงใจให้ในสมาธิกำหนดสีเขียวสีเหลือง สีแดงสีขาวดังกล่าวอันเป็นสีที่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าเป็นการที่ปฏิบัติทำสมาธิให้น้อมไปเป็นความงามเช่นเดียวกันข้อหนึ่งข้อสองข้อสามดังที่กล่าวมานี่ ก็นับอยู่ในข้อรูปสมาธินั่นเองต่อจากนั้นจึงได้ตรัสข้อสี่ที่ก้าวลวงรูปสัญญาความกำหนดหมายว่ารูปที่เป็นรูปปนิมิตดังกล่าว ดับปฏิฆาสัญญาก็คือเมื่อลวงรูปได้ก็ดับปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งได้เพราะเมื่อมีรูปรูปนี้เองเป็นที่ตั้งของความกระทบกระทั่งเช่นว่าเมื่อมีรูปอยู่ขวางหน้า เห็นต้นไม้หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งขวางหน้าอยู่เวลาเดินไปก็ย่อมจะต้องกระทบกับสิ่งนั้นที่ขวางหน้าอยู่นั้นแต่ว่าถ้าข้างหน้านั้นไม่มีรูปที่เป็นวัตถุอะไรขวางอยู่การเดินไปก็ไม่ต้องกระทบกระทั่งอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อล่วงรูปประสัญญาได้ ก็ดับปฏิคาสัญญาความกำหนดหมายว่ากระทบกระทั่งได้และก็ไม่ใส่ใจถึงสัญญาความคือความกำหนดหมายอะไรต่างๆทั้งหมดดังนี้ก็ทำสมาธิให้เข้าถึงอารมณ์ว่า อากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดอากาศก็คือช่องว่างไม่มีที่สุดอันเรียกว่าอากาศสารัญจายตนะก็เป็นอันว่าเข้ามาสู่รูปสมาธิสมาธิที่ ไม่กำหนดรูปเป็นอารมณ์อันนับว่าเป็นข้อที่สี่และข้อที่ห้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็รวมอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดมากำหนดอารมณ์ว่าวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สุดอันเรียกว่า วิญญาณนันวิญญาณันจายตนะนก็นนับว่าเป็นข้อที่ห้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ลวงข้อที่ห้าที่กำหนดว่าวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สุดมากำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี อันเรียกว่าอากินจัญญาจตนะอันเป็นข้อที่หกยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ล่วงข้อที่หกนี้มาถึงข้อที่เจ็ดก็คือกำหนดในอารมณ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี จนถึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็คือว่าจะว่ามีสัญญาคือความกำหนดหมายอย่างจัดแจ้งก็ไม่ได้หรือว่าจะไม่มีสัญญาก็ไม่ได้ก็ะจะต้องมีความกำหนดหมายอยู่แต่ว่าสิ่งที่กำหนดหมายนี้ ละเอียดเหลือเกินน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นก็เป็นละเอียดอยู่แล้วกำหนดอยู่ที่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งนั้นอันเป็นข้อที่หกต่ข้อที่เจ็ดนี้ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นคือตัวสัญญาคือความกาหนดหมายนั้นมีเหมือนไม่มีแต่ว่าสติมีอยู่สมบูรณ์ดังนี้เป็นข้อที่เจ็ด ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นข้อที่เจ็ดนี้เรียกว่าเนวสัญญาณาสัญญาญตนะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ดับสัญญาเวทนาอันเรียกว่าสัญญาเวทกิตตานิโรธอันเป็นข้อที่แปดเหล่านี้เป็นที่สุดของสมาธิ มันเรียกบุิโมกซึ่งมีแปดข้อพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทำสมาธิคือสอนปุริสธรรมะบุรุษมุคคลที่ควรฝึกนี้ให้วิ่งไปในทิศทั้งแปดคือในวีโมกทั้ง8ปดนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษ คือบุคคลที่คุณฝึกไม่มีที่จะยิ่งขึ้นไปกว่าต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัรนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น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 มาโดยลำดับถึงพระพุทธคุณบทว่าสัทธาเดวมนุษยานังเป็นพระศาสดาผู้สอนแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนี้พระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระบรมศ า, ศาสดาที่แปลว่าพระาศาสดาโู เป็นอย่างยิ่งคือเป็นเยี่ยมยอดและมิใช่เป็นพระสาทศดาเฉพาะแห่งมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นเป็นพระสาทศดา เอฟทั้งหลายด้วยและยังทรงเป็นพระศาสดาหแห่งสัตว์ดิฉานทั้งหลายแห่งโอปะปะแห่งโอปปปาติกะคือภูร้อยเกิดทั้งหลาย ต่ำกว่าเทวะทั้งหลายอีกด้วยแต่ว่าในบทพระพุทธคุณนี้ยกขึ้นแสดงเพียงว่าทรงเป็นประสาทสดาแห่งเทวและนมนุษย์ทั้งหลาย ข้อนี้แสดงถึงความยอดเยี่ยมความเป็นพิเศษซึ่งกล่าวได้ว่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้า พูพรบรมศาสตร์สดาของเราทั้งหลายเท่านั้นเพราะว่าศาสนาทั้งหลายแห่งศาสนาทั้งหลายซึ่งบังเกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาก็ดี บังเกิดขึ้นภายหลังพุทธศาสนาก็ดีย่อมเป็นศาสนาที่เป็นสิทธิ์ของเทวะหรือเทพเจ้า ตามความเชื่อถือจะเรียกว่าทั้งสิ้นก็นได้จึงไม่มีศาสนาองค์ใดที่เป็นสยัมภู คือเป็นขึ้นเองหรือเป็นสัมพุทธโธผู้ตรัสรู้ขึ้นเองจะต้องมีเทพเจ้าตามเชื่อถือ มาเป็นภูบอกกล่าวแนะนำเท่ากับว่าศาสดานั้นๆเป็นสื่อระหว่างเทพเจ้าตามเชื่อถือกับมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระพุทธเจ้าภูพระบรมศ า, ศาสดาไม่ใช่เป็นเช่นนั้นทรงเป็นสยามภูภูเป็นเองคือเป็นภูสัจจะรูขึ้นด้วยพระองค์เองในอดิยสัต์ทั้งหลาย ทรงเป็นสัพพันยูคือเป็นผู้รู้ทั้งหมดอันหมายความว่าเป็นภูรู้ด้วยความตรัสรู้ที่บริสุทธิ์บริมรณ์บริสุทธิ์ ก็คือไม่ผิดพลาดถูกต้องไม่ต้องมีแก้ไขบริบูรณ์ก็คือครบถ้วนไม่มี บกพร่องอันจะต้องเพิ่มเติมอันคำวสัพพัน ญ, ญูผู้รู้ทั้งหมดนี้ย่อมครอบคลุมความหมายได้ใน ความรู้ของพระองค์ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังกล่าวแม้ในข้อธรรมะทุกหมวดที่ทรงสั่งสอน ดังเช่นทรงสั่งสอนอริยสัจทั้งสี่ทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกขทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขก็เป็นความ ที่ถูกต้องไม่มีผิดพลาดอันเรียกว่าบริสุทธิ์และครบถ้วนไม่บกพร่องอันเรียกว่าบริบูรณ เพราะอาริยสัตตนั้นย่อมเป็นสัจจะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังกล่าวไม่มีสามไม่มีห้า แต่ว่ามีสเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของอริยสัจเพียงเท่านี้คำสั่งสอนของพระองค์จึงเป็นคำสั่งสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมด อันส่งถึงความสัจรู้ของพระองค์ว่าทรงเป็นสัพพันยูคือเป็นผู้รู้ทั้งหมดรู้ถูกต้องทั้งหมดรู้ครบถ้วนทั้งหมดจัดออกมาเป็นอริยสัจสี่ก็เป็นอริยสัจสี่ที่ ถูกต้องที่ครบถ้วนธรรมะที่ทรงแสดงออกมาทุกข้อทุกบทย่อมมีความบริสุทธิ์คือถูกต้องทั้งหมดมีความบริบูรณ์คือครบถ้วนทั้งหมดอยู่ใน ทุกข้อทุกบทที่ทรงสั่งสอนนั้นอันส่งถึงความปรัสรุของพระองค์ว่าเป็นสัพพันยูคือรู้ทั้งหมดดังกล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจในคำว่าสัพพันยูดังกล่าวนี้ย่อมจะทำให้พอมองเห็น